ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติเระยะต่อมาท่านได้ย้ายมาเรียนปริยัติอยู่ที่วัดสุดทธกินดาในอำเภอเมืองนครราชสีมาแม้ต้องมีภา ร, ระเพิ่มขึ้น าการเรียนหนังสือ ử, แต่ท่านก็ยังไม่ละทิ้งเรื่องการภาวนานอกจากนี้ยังพยายามหาโอกาสไปฟังเทศท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมที่วัดป่าสารวันอีกด้วยเหตุการณ์ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเราเรียนหนังสืออยู่วัดสุทธกินดา พอวันไหนว่างจากเรียนหนังสือเราจะไปฟังเทศท่านอาจารย์สิงห์ที่วัดป่าสารวันท่านจึงพบเราบ่อยไปตามประษาของเราที่มันชอบภาวนาหมู่เพื่อนใครไม่ไปเราไม่สนใจกับใครถ้าวันไหนท่านประชุมฟังธรรม ตรงกับวันที่เราว่างจากการเรียนเราก็าไปไปบ่อยท่านอาจารย์สิงห์ยังชมว่าพระหนุ่มองค์นี้ภาวนาดีนะและท่านยังไปเล่าให้พระฟังอีกด้วยว่านั่งเหมือนหัวต่อเพราะเราไปฟังเทศของท่านตลอด ตอนนั้นเราภาวนายังไม่เป็นยังไม่ทราบว่าท่านเทศมีบทหนักบทเบาขนาดไหนแต่เรื่องวิถีจิตที่ท่านแสดงนั้นเรายังไม่เคยได้ยิน